ตอนที่11ปัญหาที่สถามเรื่องความไกลแห่งพมโลกคาแต่พระนาคเสนพมโลกไกลจากโลกนี้สักเท่าไรขอถวายพระพรผมโลกไกลจากโลกนี้มากถ้ามีผู้กลิ้งก้อนศิลาโตเท่าประสาทลงมาจากพมโลกก้อนศิลานั้นจะตกลงมาได้วันละ 48,000 นโยธ ต้องตกลงมาถึงสี่เดือนจึงจะถึงพื้นดินข้าแต่พระนรักเสนมีคำกล่าวว่าภิกษุผู้มีฤทธิ์ผู้มีอำนาจทางจิตหายวับจากชมพูทวีปนี้ขึ้นไปปรากฏในพมโลกได้เร็วพันเหมือนกันกับบุรุษผู้มีกำลังคู่แขนเหยียดแขนฉะนั้นดังนี้โยมไม่เชื่อเพราะเรื่องเร็วเพราะถึงเร็วอย่างนั้น ก็จักไปได้เพียงหลายล้อยโน์เท่านั้นขอถวายพระพรชาติภูมิวงเล็บเปิดถิ่นกำเนิดวงเล็บปิดของมหาบอพิษยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เก า, อาะอลสันทะพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเกาะอาลันสันทะไกลจากที่นี้สักเท่าไรไกลประมาณ200โยชย์ ขอถวายพระพรมหาบอพิษเคยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ที่นั้นแล้วเคยนึกถึงมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมหาบอพิษนึกไปถึงที่ไกลประมาณ200ยโยชนได้โดยเร็วพันไม่ใช่หรือถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าอธิบายในอาาัฏฐกถาสังยุตตนิกาย ท่านกล่าวไว้ว่าก้อนชิลาขนาดใหญ่ถูกกลิ้งให้ตกลงมาจากพมโลกชั้นต่ำก้อนชิลานั้นตกลงมาวันคืนหนึ่งเป็นระยะสี่0มื่นแปดพันโยธจึงจะถึงพื้นดินเป็นเวลาสี่เดือนเพราะเหตุนั้นระยะทางระหว่างพมโลกชั้นพรมปาลิสชาถึงพื้นดินบัณฑิตผู้ทราบในพึงทราบว่าเป็น ห้าล้านเจ็ดแสนหกมืนโยอดดังนี้